มหาปติประธานสูตรก็ขอเตือนกันไว้ว่าท่านทั้งหลายเวลาวัน Srinabrami, Nekamabrami, Panjabrami, Viryabrami, Kantiabrami, Satchabrami, Arithanabrami, Metabrami, Umekhabrami. Kambaabrami bravatim. คือเรามีกําลังใจเต็มเนื่องจากเปเป 75 เป็นศีล ปัญญาพิจารณาเรื่องของขันธ์ 5 มีบ้างหรือเปล่าความกระต่อสู้ต่ออุปสรรคกําลังใจที่กิเลสมันก็มารบกวนใจได้กับอารมณ์ฟุ้งซ่านหรือจิตไม่ส่งอารมณ์มีหรือเปล่าขันติอดทน อธิษฐานตั้งมั่นอารมณ์ไว้ว่าเราต้องการคําว่านิพพานัสสะสัทธิกิริยายะเอตังกาสาวังระเหตุวาซึ่งแปลเป็นใจความ เหี่ยวเว้นได้หรือเปล่าทำลายมันหมดไปได้หรือเปล่าอ้อมเวคขาการทรงอารมณ์ โดยอารมณ์การทุ่มเทซ่านโดยการภาวนาบ้างพิจารณาบ้างมีหรือเปล่าถ้ายัง สำหรับวันนี้ก็จะขอพูดกับท่านในข้ออ่าเมื่อคืนนี้เป็นอะไรเมื่อคืนนี้ เริ่มเข้าการใช้ปัญญาเข้าการใช้ปัญญาเพราะว่าในอานาปานุสติในอานาปานบัพพดีการ ทำแล้วก็ต้องทําเพื่อความดีของท่านนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆบัด จะเลื่อมสัพพาทนิพพานัสสะสัจฉิกิริยายะเอตังคาสาวังกะเหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าเราขอรับภาคตาสาวพัดเพื่อ สิ่งใดที่อ้อมสําเร็จ อันนั้นหมายความว่าความปรารถนาของท่านใน สำหรับวันนี้ก็มาฟังตามสำนวนๆที่ผม ความว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังมีๆว่า ตานิบาลีว่าอธิวัสมิง กายେ เคสาโลมานคาทันตาตโจมัง แต่ใช้ไม่ได้มากมันใช้ได้น้อยขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวตับปังผืดปอดไส้ใหญ่ไส้นะไอ้สายรัดไส้ที่ อาหารใหม่ใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำสะเด็ดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันคล้นน้ำ เอเตมฺโวอิโตเยสนฺญฺจทมีวิรายการเนตฺตํคืออะไรบ้างได้กันคือข้าวสลีข้าวเปลือกทั่วแก้ทายหน้าออกแล้วเพิ่งว่านี่ข้าวสลีนี่ข้าวเปลือกที่ทั่วเขียวนี่ทูลเหลืองนี่ อันนี้ภิกษุย่อมพิจารณาแห่งกายนี้แลเบื้องบนตั้งแต่เท้าขึ้นไปเบื้องต่ําตั้งแต่ปลายผมลงมามี มีรําเปตไตปอดไส้ใหญ่เส้นเลือดอหันใหม่อหันเก่า ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายคือความเสื่อมไปในกายบ้างคือความทั้งเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือสติว่ากาย อย่ามยึดถืออะไรๆในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาให้กายในเลิกผม ต้องขอนําเอาพระบาลีนี่ 40 ในวิสุทธิมรรค ปฏิกูลระบบนี้คืออาการ 32 ของร่างกายตามที่กล่าวมาอะไรสะอาดมันเป็นของสกปรกทั้งหมดท่านบอกว่าท่านองค์ใด ย่อมมีความคร่องในกรรมฐานบทนี้เป็นปกติถ้าเว้นกรรมฐานบทนี้เสร็จแล้วฆ่าองค์จริงๆแต่ว่า นักปฏิบัตินี่เขาไม่ทิ้งต้นอานาปานะบัพการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อการป้องกันความ กำลังใจถ้าเราทรงอยู่ปัญญามันก็เกิดตัวนี้พระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญา แล้วก็พิจารณากายของบุคคลอื่นที่เต็มด้วย 32 นี้ว่ามันสกปรกสะอาดว่าสกปรกสกปรกจริงอาหารใหม่อาหารเก่าเสลดทําลายเป็นต้น มันจะอารมะสต интерปรก ใช้ปรมยาพิจารณาดูหาความจริงหรือปรมยาเราจะบ Century Coo nahin ko ni kia to g h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h not inم apro 3 buyer e khot 1 av building มีเรารับฟังกันมีตำรับตำรามหานรกใช้ปัญญากันให้ดีนั่งเล็ด แหมเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเสมหะน้ำลายสะอาดหรือสกปรก เราพอใจในคนน่ะพอใจในสัตว์ระมัดระเม็ดเรา ถ้ากระบอกว่าทรงอุตจาระนี่ท่านจงแบกไปเป็นสัตว์สิงห์ของท่านเราจะเอามั้ยเอาแล้วไม่เอาเอาไปกอดเอาไปกอดเอาไปประคับประคองนี่อุจจาระปัสสาวะมันหลั่งไหลมา น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็ไหลมาเป็นปกติทำไมเราจะไม่จำทำไมเราจะไม่คิดเราก็จำแล้วก็คิดใช้ง่ายๆ นี่แล้วก็มองไปทีท่านบอกว่าร่างๆทั้งหมดใน ข้อใดข้อหนึ่งที่ท่านพอใจท่านปฏิบัติเฉพาะข้อนั้นให้มันทรงตัวแล้วก็ข้อนั้นแหละจะทําให้ท่านเข้าถึงอรหัตผลเข้าตรงไหนได้ที่ท่านบอก นี่ยึดใจแก่สกายาทิฐิตัสกายาทิฐิตัวเดียวก็ชื่อว่าตักิเลสหมดในสังโยชน์ 10 ทั้งหมดนี้เราก็มานั่งพิจารณา เป็นอนุว่าทุกคนถ้ามีปัญญาไม่ ทำไมความไม่คนที่เค้าจะแต่งๆเค้าไม่ได้คิดโดย 7 ปีเห็น 120 ปีแก่ง้ํา มันหลอผมงอกหนังสุกระร่างกายโคลงโรมาท่านรังเกียจว่าร่าง นี่ท่านเห็นแล้วเป็นวิปัสสนาญาณไอ้วิปัสสนาญาณนี่แปลว่ารู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นยังไงล่ะแล้วในปริกูล จากล่างขึ้นไปตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงปลายผมมัน ยังไม่รู้อีกก็เชิญเชิญตามอติยาศัยที่ไม่เอาด้วยในเมื่อมันสุขกับทุกข์แล้วมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ไปมองทีว่า ความสารโศกเสียใจเป็นทุกข์ เป็นอันว่าร่างกายนี้ซึ่งเลวคือสกปรกด้วยแล้ว สัตว์ก็ว่าโลสังเกตว่ามันเป็นที่พึ่งที่อาศัยเป็นที่อาศัยทุกอย่างในโลกคํา แล้วก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามัน ร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แปรปรวนและตาความก็ ถ้าเราจะถึงตายเมื่อไหร่ก็คิดว่าอันนี้สุขใหญ่มาถึงเราแล้วคิดชี้ว่าการเกิดมี 5 5 อย่างนี้จะ คือไม่พอไม่ติดใจในร่างกายของเราแล้วก็ไม่ที่ จงไม่มีในจิตของบรรดาท่านหลายในความพอใจยึดถือทรัพย์สินทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราจงไม่มีเพียงเพียงเท่านี้แหละท่านหลายเพราะเวลา เมื่อจิตใจของท่านวางภาระคือไม่ยิน ท่านได้ไปข้าบรรดาท่านสวัสดี